วันนี้ญาติโยมสาธุชนนะก็มากันนะเต็มศาลาวัดหลายคนนะก็มาจากกรุงเทพหรือมาจากจังหวัดไกลๆถือโอกาสมาเยี่ยมบ้านได้พบพ่อแม่บางทีก็ได้เจอลูกที่มาฝากเอาไว้ให้พ่อแม่เลี้ยงจากที่ไกลๆนะก็มาทำบุญกันในวันนี้เพราะอะไรนะก็เพราะว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอาจจะสำคัญไม่น้อยไปกว่าวันเข้าพรรษา แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะมันไม่ได้เป็นวันสำคัญในทางศาสนาอย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นวันพระใหญ่หรือว่าเป็นวันออกพรรษาแต่มันยังเป็นเหมือนกับการเริ่มต้นของฤดูการใหม่นะของเทศกาลใหม่เพราะว่าพอถึงวันออกพรรษาก็แปลว่าฤดูฝนก็กำลังจะหมดและ ต่อไปก็เลื่อนสู่รูดูหนาวชาวบ้านนะที่ทำนาก็ตอนนี้ก็เตรียมเกี่ยวข้าวกันแล้วรวมทั้งจะมีเทศกาลอื่นๆตามมาเป็นเทศกาลแห่งความรื่นเริงเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเป็นการทอดกระถิ้นหรือว่าร้อยกระทงนะแต่ก่อนนี่ชาวบ้านก็ จะจัดงานแต่งงานก็ช่วงนี้แหละนะหลังจากหมดฝนนะก็จะเริ่มนะการพิธีงานแต่งงานบ้างละงานขึ้นบ้านใหม่บ้างละหรือแม้แต่นะงานทำบุญทาตททำบุญบรรจุอธิข่าวธาเุานะ็เพราะว่าจะมีมหรศสศพนะมีการฉายหนังกลางแปลงสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะ หลังจากออกรรษาไปก็เริ่มแล้วนะเรียกวมๆรว่าเป็นเทศกาลแห่งการเฉลมิมฉลองความรื่นเริงรวมทั้งการมีจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนไปนะอย่างคนที่เคยมาจำศีลอาจจะศีล8นะออกรรษาก็อาจจะ ถือศีนลน้อยลงนะเนศีลหน้าหรือว่าบางคนที่บวชเพื่อปฏิบัติธรรมในช่วงข้าบัญชาออกบรรษาก็สกหาราเพศ์กันกลับบ้านกลับไปหาพ่อแม่นะกลับไปหาเมียกลับไปหาลูกแม้แต่พระที่จำบรรษาหรือไม่ได้ศึกพอออกบรรษาแล้วก็เตรียมทุ ด, ดงกันลว มันเป็นการเริ่มต้นของช่วงเวลาใหม่เทศกาลใหม่ผู้คนก็เลยมีความสุขนะเมื่อถึงเวลาออกพรรษาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราจะเฉลิมฉลองวันหนอกพรรษาเนี่ยก็มีเหตุผลหนึ่งนะก็คือเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีไม่ว่าจะเป็นพระแม่ชีคารวาดผู้ปฏิบัติธรรม ที่ได้บําเพ็ญเพียรบําเพ็ญ บ, บุญกุศลหรือว่าฝึกปฏิบัติธรรมตลอด3เดือนอันนี้เราเป็นการชื่นชมแสดงมุทิตาจิตเมื่อผู้คนได้ทำความดีนะใครทำความดีสำเร็จเสร็จสิน้นนะเราก็ชื่นชมจึงมี ทำเนียงคล้ายๆอาการเฉลิมฉลองเนื่องในวันออกพรรษาก็ไม่ใช่ง่ายนะที่คนเราเนี่ยจะรักษาศีลนะแม้แต่ศีลนายครบตลอดพรรษาบางคนนี่ติดเหล้านะก็ตั้งใจเลิกเหล้าหรืองดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาก็ทำมาจนครบสามเดือนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุมโมทนา แต่บางคนก็ตั้งใจจะทำกรรมาฐานฝึกสมาธิภาวนาตลอดสามเดือนก็ไม่ใช่ง่ายแม้เป็นพระบางรูปก็อยู่ไม่ครบนะตั้งั้นที่อธิษฐานภาษาไปแล้วก็มาษาไปได้แค่อธิตย์2อาทธิตย์บางทีเดือนหนึ่งก็ไปแล้วอยู่ไม่ไหวนะก็มีนะหรือบางทีก็ทะเลาะ บ, บอกแวงกัน ออกไปอยู่ที่อื่นก่อนที่จะออกพรรษาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนเราเนี่ยจะทำความดีฝึกฝนตนรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาตลอดสามเดือนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุมโมทนาน่ายินดีด้วยเราก็เลยมีธรรมเนียมนะ เป็นเหมือนประเพณีนะที่มาชุมนุมพร้อมกันในวันนี้นะเพื่อมาสแสดงมุทิตาจิตสแสดงความชื่นชมยินดีต่อผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นนัก บ, บวชหรือคารวานะบางคนอาจจะไม่ได้ถือศีลที่วัดแต่ว่าก็ไปปฏิบัติที่บ้านไม่ใช่แค่ศีลห้านะแต่ว่าลดละ กิเลสบางอย่างที่ลดละได้ยากเช่นบางคนติดการพ น, น, นันนะบางคนติดเกมออนไลน์ก็ตั้งใจว่าเนี่ยในพรรานี้ตลอด3เดือนก็จะลดละหรือเลิกไปเลยนะอย่างน้อยก็ตลอด3เดือนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่านุ่มทธนาธรรมเนียมชาวพุทธเราเนี่ยนะใครทำความดี เราก็ส่งเสริมแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ชาวบ้านที่พรอยินดีเมื่อถึงวันออกพรรษาชาววัดหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็ยินดีด้วยบางคนก็รอวันนี้เนี่ยมาตั้งแต่เข้าพรรษาแล้วเข้พาพรรษาม่กี่วันก็รอและเมื่อไหร่จะออกพรรษา วันนั้นเนี่ยเมื่อถึงวันอาส า, าก็ดีใจนะมีความเพลิดเพลินมีความรู้สึกสบายใจนี้ก็ต้องถามว่าสบายใจดีใจเพราะอะไรถ้าดีใจเพราะว่าออจบสักทีสิ้นสุดสักทีนะเข้าภาษาในแบบนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่นะเหมือนกับว่าคนที่เลิกเหล้าหรือ งดกินล่าช่วงข่าบราษาเนี่ยพอถึงวันออกบรรษาก็รอเลยพอแก้วาออกภาษาก็รอแล้วรอนับวันเมื่อจะออกภาษาพอถึงว่าออกภาษาก็ดีใจดีใจเพราะว่าต่อไปนี้ฉันก็จะกินล่าได้สักทีไอ้ดีใจวันนี้มันไม่ดีนะถ้าดีใจเป็นเพราะว่าเออจบสักทีนะตลอด3มเดือนที่ผ่านมาฉันอดทนลําบากเหลือเกิน มาถึงวันนี้จบสักทีดีใจแบบนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าดีใจเพราะว่าเออภูมิใจนะที่ฉันทำได้ภูมิใจที่ฉันเลิกเหล้าได้ภูมิใจที่ฉันเลิกการพนันได้ภูมิใจที่ฉันรักษาศีลห้ครบภูมิใจที่ฉันเจริญสติบาเพ็ญภาวนาตลอด3มเดือนอยังไม่บกพร่อง อย่างนี้ต่างหากที่เป็นเหตุผลที่เราควรจะดีใจเมื่อถึงวันออกพรรษาเพราะถ้าดีใจด้วยผลว่าจบสักทีไอ้แบบนี้อันตรายนะเพราะว่าพอพ้นวันนี้ไปก็ไอ้สิ่งไม่ดีที่เคยทำแล้วก็หยุดเอาไว้ตลอดพรรษาก็กลับไปทำใหม่ที่เคยงดเล่าสามเดือนอันนี้ก็เรื่องดีนะแต่ว่าพอถึงวันพรุ่งนี้ก็ เข้าไปหาเล่าใหม่บางทีหนักกว่าเดิมกินเล่าหนักกว่าเดิมฉะนั้นถ้าเราจะดีใจเมื่อต้งองออกพรรษาก็ดีใจด้วยผลที่ว่าเราทําได้เกิดความภาคภูมิใจเพราะความภาคภูมิใจนี่แหลนะที่มันจะนุนส่งให้เราเนี่ยทำดีต่อไปให้เราลึกว่าเนี่ยออกพรรษาแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าการปฏิบัติของเรามันยุติขึ้นชื่อว่าเข้าแล้วก็มีออก ออกรรษาก็มีออกบรรษาแต่ว่ามีออกอย่างหนึ่งที่ไม่ดีเลยนะคือออกจากธรรมออกจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยออกบรรษาแล้วเนี่ยก็ขอให้อย่าออกจากการปฏิบัติแม้ว่าการปฏิบัติของเราอาจจะเข้มงวดน้อยลงนะเช่นที่เคยถือศีล8ก็ถือศีลห้าแต่ว่าก็อย่าให้เลิกเลยเลย อะไรที่ทำดีแล้วก็ขอให้ทำต่อไปเท่าที่จะทำได้ไม่ใช่ว่าข้าวพรรษาเลิกเล่างดเล่าเลิกการพนันแต่พอปรรษาก็กลับไปทำใหม่นะอันนั้นเนี่ยมันไม่ดีนะออกพรรษาแล้วเนี่ยก็ขอให้เราปฏิบัติต่ตอไปขอให้เราตระหนักว่าเรายังไม่สมควรออกจากธรรม แต่จริงก็ควรจะกลับมาพิจารณานนะสาหรับผู้ที่อยู่วัดหรือผู้ที่บำเพ็ญเพียรในช่วงที่เข้าบรรษานี่กลับมามองดูว่าเนี่ยสมเดือนที่ผ่านมาเราได้ปฏิบัติจริงจังไหมเราได้ทำความเพียรมากหรือเปล่าไม่ใช่แค่ว่าอยู่ให้ครบสามเดือนแต่ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมันก็มีนะแบบแบบแบบเนี่ยทนอยู่ ทนอยู่จนออกพรรษาแต่ว่าพอถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไหมลดละเลิกสิ่งไม่ดีได้บ้างหรือเปล่าและสิ่งดีๆได้ทำมากขึ้นไหมบางคนอาจจะพบว่าเหมือนเดิมเลยเพียงแต่เวลามันผ่านไปเท่านั้นไอ้อย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ดีนะคนเราเนี่ย 3มเดือนผ่านไปมันควรจะมีอะไรที่พัฒนาขึ้นบ้างต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยสามเดือนเนี่ยนะถ้าวันเข้าภาษาเป็นต้นกล้าเนี่ยมาถึงตอนนี้นี่ก็โตแล้วในภรษ า, านี้เนี่ยนะทุกเช้าก็ไปบินาบาตในหมู่บ้านกุดง ง, งนะมีที่ดินแปลงหนึ่งนะตอนที่เข้าภรษ า, าเนี่ยมันเป็นที่ดินเปล่า ก็แค่ถมดินแต่มาถึงตอนนี้เนี่ยมีบ้านนะมีตึกนะสร้างขึ้นบนที่ดินนั้นแล้อย่างนี้แล้วว่ามีความพัฒนานะมีการพัฒนา3เดือนเนี่ยจากที่ดินเป่าๆนี่มีบ้านหลังหนึ่งสร้างขึ้นมาแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จหมายเขาว่ายังไงหมครับว่าออบรรษาแล้วเนี่ยก็ต้อง มาต่อเติมบ้านหลังนั้นให้มันเสร็จไม่ใช่ว่าพอบรรษาแล้วก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะบ้านยังสร้างไม่เสร็จก็ทิ้งไปหรืออยู่ไปอย่างนั้นอันนี้เป็นบ้านของกายนะเราจำเป็นต้องมีบ้านของใจด้วยช่วงข้าบรัรษาเราต้องสร้างบ้านให้กับใจของเราให้มีที่พักพิงที่อาศัยเพื่ออันตราย มันจะได้ม่มาแพ้วพานก็คือความทุกข์ใจนั่นแหละวันแล้วเนี่ยเมื่อเข้าบรรษาแล้วสร้างแต่ยังสร้างไม่เสร็จจนออบรรษาเราควรทําอย่างไรก็ต้องสร้างต่อต่อเติมบ้านของใจนะให้มันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็แน่นหนาไม่ใช่ว่าออกบรรษาแล้วก็ทิ้งไปเลยนะในเมื่อบ้านของใจยังสร้างไม่เสร็จก็ต้อง สร้างให้เสร็จเมื่อออกบรรษาแล้วก็หมายความว่าต้องปฏิบัตินะปฏิบัติทำเจริญสติทำสมาธิภาวนาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าบ้านหลังนี้จะเสร็จเมื่อบ้านของใจเสร็จเนี่ยมันก็แปลว่าความทุกข์ก็จะไม่มาแผ่พานได้เหมือนเคยเราทุกคนเนี่ยนะเมื่อเรามาเข้าหาธรรมเนี่ยเพื่ออะไรนะก็เพื่อออกจากทุกข์นะ ในเมื่อออกัรษาแล้วแต่ยังไม่ออกจากทุกหรือยังออกจากทุกไม่ได้เนี่ยก็ต้องเพียรพยายามต่อไปความกระตือรือร้นที่เรามีรอคอยวันออกรรษาเมื่อออกัรษาผ่านพ้นไปแล้วนี่ก็คอยรักษาความกระตือรือร้นเอาไว้ให้มีความกระตือรือร้นในการออกจากทุกให้มีความกระตือรือร้นในการออกจากทุกนะไม่ใช่ว่าออกรรษาแล้วก็ เฉยชาแล้วทุกมันจะมาอย่างไงฉันไม่สนใจในการรับมือกับมันไม่สนใจในการเตรียมตัวถึงเวลาเจอทุกก็บ่นวอยวายตีโพยตีพายบางทีก็บอกว่าไม่อยากอยู่แล้วอยากตายแล้วทําไมทุกมันหนักหนาแบบนี้ไอตอนที่มีโอกาสที่จะฝึกตนให้ออกจากทุกก็ปล่อยปาละเลยพอถึงเวลาทุกมากระทบตัวก็วอยวายตีโพยตีพาย ครำครวรอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะแม้ว่าทุกจะยังมาไม่ถึงแต่ว่าก็ขอให้รักษาความมุ่งมั่นเอาไว้ว่าเราจะทำความเพียรเพื่อออกจากทุกให้ได้ออกพรรษาก็เรื่องหนึง่งแต่ถ้ายังออกจากทุกไม่ได้ก็จะทำความเพียรเพื่อออกจากทุกให้ได้นะหรือแม้จะออกจากทุกได้ไม่สิ้นเชิงนะแต่ว่าก็จะคลายความทุกให้มันน้อยลง ความรุ่มร้อนความเครียดก็จะทําให้มันน้อยลงออกจากความรุ่มร้อนจากออกจากความเครียดให้ได้แม้จะยังออกจากความทุกข์ไม่ได้อย่างสิ้นเชิงให้ตั้งจิตเอาไว้นะออกบภรษาแล้วเนี่ยเราจะพยายามฝึกจิตบําเพ็ญทำบําเพ็ญเพียรต่อไปเพื่อให้ออกจากความรุ่มร้อนออกจากความเครียดออกจากความทุกข์ออกจากความโศกออกจากความเครียดความสูญเป็นลําดับจนกระทั่งออกจากทุกในที่สุดนะคอยเราตั้งจิตแบบนี้เอาไว้